เสียงอึกทึกคือโครมและเสียงคือขน อ, องเจ <_ C 1> ือปนกันไปในสถานที่นี้เลื่อยมานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารสุมกำนานว่าพิขุพิคุซึ่งแปลได้สองหนว่าผู้ขออย่างหนึ่งผู้เห็นภัยอย่างหนึ่ง ความมุ่งหมายของศาสนธรรมนั้นต้องหมายถึงศักดิ์ความหมายที่สองนี้ที่ไม่ใช่บวชมาเพื่อขอนบวชมาเพื่อความเห็นไถ่หรือบวชมาด้วยความเห็นไถ่อันนี้เป็นหลักใหญ่สําคัญตรงกับความมุ่งหมายของพุทธศาสนาดุแท้ฉะนั้นเราเป็นนักบวชจึง ให้มีหลักธรรมนี้ประจำใจฝังใจอยู่เสมอยาได้ลืมเนื้อลืมตัวการลืมเนื้อลืมตัวไม่ว่าขนาดใดจ ะ, สะแสดงกิริยาท่าทาออกมาอันเป็นเรื่องของกิเลสสวัสด์เสมอหรือมีความคึกขนองเป็นต้นอย่างนี้อย่าให้มีในวงสมณะผู้สงกหรือพิกษุหรือภิกุผู้เห็นไผ ในสิ่งที่เป็นภัยท่างหายพูดกันก็ต้องให้พูดด้วยความมีสติคนพูดด้วยความมีสติจะไม่ส่งยิริยาอาการใดๆให้ผิดปกติไปเช่นมีเสียงดังเป็นต้นยังฮือฮาๆอะไรเห่านี้เป็นเรื่องของคนไม่มีสติคนลืมตายอุ่น ง, ง่ายลืมตาคือลืมสัจธรรมซึ่ง เป็นหลักของศาสนาและเป็นหลักมัวใจของผู้เห็นภัยจะต้องดำเนินตามนี้นี่ปล่อยไปหมดนะในขณะที่ลืมตัวต้องปล่อยหมดก็มีแต่สมุทัยสัตว์นะเต็มหัวใจแล้วก็สั่งสมทุกขษัตย์ขึ้นมาโดยที่เจ้าตัวก็ยังภูมิใจว่าเป็นนักปฏิบัตินี่ให้ระวังให้ดี ท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้ไม่มีอะไรเครื่องบริขารได้ให้สอยที่ขอถวายมานี่ให้แจกแจงกันไปไม่ต้องเกี่ยวกับไม่ต้องมาถามผมเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมไม่ได้มุ่งอะไรกับสิ่งนี้นอกจากให้หมู่เพื่อนได้รับการสมบูรณ์ผลผลตามหลักสมณวิสัยเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่อยู่ในใจของผมเลยขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความเป็นธรรมต่อกันและต่อตัวเองเถิดจะเป็นที่พอใจของผมอย่างยิ่ง และถูกต้องตามหลักของศาสนาในบรรดาสมณะเราที่อยู่ร่วมกันใครไม่มีอะไรให้จัดแจงให้กันเมื่อของมีอยู่เดี๋ยวไปเก็บกลับไปสมหวนเอาไว้โดยหาเหตุผลไม่ได้ถ้าทำไม่มีก็สั่งมาดยอะไรเวลาที่สงเคราะห์กันอะไรขาดนนไม่มีให้ไปหามาเฮ้ย อ, อย่างหนึ่งก็จัดึิษาปารลบก็ผม ก็หน้ท่านมีข้อความใจสงสัยอะไรถ้าไม่สงสัยเป็นที่แน่ใจแล้วก็เอามาได้เลยเวลาทําการตัดยึดช่วยสมก้อกันก็ให้รีบจัดรีบทําเนี่ยไม่ใช่ทําๆเพื่อเพื่อจำจำศักดิักดให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนี้เป็นจิตจาเป็นในทางหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่จิตจาเป็นในซ้ําอันเป็นเรื่องสําคัญของจิตใจอันเป็นเครื่องบริการ บ ร, บริวารสำหรับเป็นร่้งใช้ของพระของสออมณะเราเนี่ยถงเสียง อ, อทึกคึกโครมไม่ดีสะดุดหัวใจอยู่เรื่อยๆนะปีนี้ค่อยอยิงชั่วหน่อยเท่าๆดนนิน่อยู่ที่นี่ไม่ได้ยินนะไม่ได้สนใจนะปากกับหูเจ้าของมันอยู่ติดกันนะแต่มันไม่ค่อยได้ยินนะ ปากหูคึกปากหูมันมีใจคอนองมันไม่ได้ยินแหละไม่รู้นุ่นอยู่ไกลๆนุ่นยังได้ยินตออกว่าเขายาบอยู่ไกลๆสิเมื่อมีสติอยู่กับตัวแล้วจะได้ยินเสียงเป็นยังไงยังไงดื้่ๆคือโขมยได้ยินเห็นนุ่นผมอยู่กุฏิน่ะผมก็ไม่ได้อวดว่าผมมีสติสตังนะแต่อยู่ที่นั่นมันเงียบอะไรสรัมผัสสัมพันธ์มันจะรู้ได้ง่าย อันนี้ปากกับหูเจ้าของมันยังคุกครีตีโมงกันอยู่ตลอดเวลามันจะไปรู้อะไรเสียงก็ตืกนคึกโขอฟังไม่ได้เลยเหมือนคนคีเรลาไม่ใช่เหมือนพระนะ น, นี่เคยได้ยินเสมอแล้วเคยเตือนเสมออืมพอดีแวเรื่องนาเอาแล้วน